พะอาจารย์ครับมีแฟนเพจนะครับจากพระอาจารย์สุชาติาพิชารโตนะครับฝากคาถามมานะครับเป็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตินะครับจากคุณสมบัตินะครับาถามพระอาจารย์ว่าขณะข้อที่1 น, นะครับขณะทํางานพยายามท่องพุโทโธในใจด้วยทํางานจากอื่นไปด้วยถูกต้องหรือเปล่าครับถ้าเวลาทํางานถ้าต้องใช้ความคิด เกี่ยวกับงานก็ต้องหยุดท่องไปก่อนเพราะไม่ใช่นนั้นเดี๋ยวมันจะทำงานไม่รู้เรื่องเช่นจะต้องบวกเลขอย่างนี้เราจะไปท่องคุดโถมังก็คงจะไม่ได้แต่ถ้าทํางานแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดอยงนี้ก็ท่องคุดโถไปได้เช่นขับรถขับรางนี้มันไม่จําเป็นเจะต้องใช้ความคิดก็สามารถท่องคิดโถได้หรือให้สังเกตดูว่าใจเราคิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่คิดอะไรเราก็ไม่ต้องท่องคุดโถก็ได้ ว่พุโทโธนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเบรความคิดนี่ถ้าถ้ามันไม่มีความคิดมันไม่คิดอะไรเราก็ไม่ต้องท่องพุโทโธนะถ้าใจมันว่างถ้าใจมันไม่ว่างมันคิดนู่นคิดนี่เราถึงต้องใช้พุโทโธมาติดมข้อสอนะครับขณะนั่งสมาธิท่องพุโทโธในใจจะทําอย่างไรให้พุโทโธแน่นแน่นกัดใจเพราะรู้สึกเคว้งเวงเหมือนใจไม่มีที่เกาะถ้ายังท่องพุโทโธไม่พอเลย ไม่ไม่บ่อยไม่ต้องพยายามท่องทั้งวันในเวลาใดที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วใจมันมันยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็ต้องท่องมันไปจนกว่ามันจะหยุดคิดจนใจมันจะว่างแล้วตอนนั้นเวลามานั่งภาวนานี่มันจะสงบง่ายข้องพุธโธไม่กี่คำมันก็รวมเ ข, ข้าสู่ความสงกได้ข้อที่สามนะครับขณะเดินจงกรมขวาพุธซ้ายโธ ตามเท้ากระทบพื้นถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องกระช่ายอย่างไรก็ได้จะใช่ซ้ายขวาก็ได้เวลาเดินเท้าซ้ายเหยียบ ก, ก็ว่าซ้ายเท้าขวาเหยียบ ก, ก็ว่าขวาก็ได้จะใช้ซ้ายพุทโถก็ได้ขวาพุทโธก็ได้อันนี้แล้วแต่อุบายของแต่ละคนนะถนัดอย่างไรบางคนพุดขวาโถซ้ายก็ได้บางคนพุทธโถซ้ายก็พุทโถขวาก็พุทโธก็ได้ บางคนซ้ายก็ว่าซ้ายขวาก็ว่าขวาก็ได้อันนี้เป็นอุบายเป็นเบรคเพื่อให้ไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านเองไม่ใช่ซ้ายก็พ่อขวาก็แม่อซ้ายก็เรื่องเงินซ้ายขวาก็เรื่องเที่ยวนี้มันไม่ได้บางอย่างมันจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคิดเพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องไม่มีเรื่องซ้ายหนึ่งขวากสองสามสี่ไปเรื่อยๆก็ได้ คือมันเป็นอุบายที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆแค่นั้นเองใครมีปัญหาอะไรก็ส่งคำถามมาทางทางเฟซ o ุ๊กก็ได้แล้วให้คุณคุณต่อมาเป็นคนถ่ายทอดคำถามคำตอบไปที